แต่เรัคใช่แต่เาไม่ชอบเรคุาก็ไม่ไปกันเลยแน่ก็ไดครับเชิญให้กาบเรียนหลวงพ่อครับดอกบัวครับครับดอกบัวทีจมพัสงสัยเช่ไมไม่ผมเดี๋ยวอาจารย์ผมไม่ถามเมื่อกี้ผมถามอยากจะรู้เรื่องอยากจะรู้อะไรตอนเรื่องกิตใจแบบ แต่เราอยู่นอกพุทธศาสนามาเรือบใส่ยะไรยังไงยังรู้จักไปถามท่านนะครับใช่ครับคือว่าอนี่แต่คนไปได้ใครฟังไม่มีใครใช่ใครเชื่อที่ท่านตอบให้ท่านฟังเนี่ยท่านตอบไม่เคยถูกดีเลยถูกแต่มันไม่เข้าใจถามว่าท่านได้ไปสอบสแงนฮาศาสนาอื่นหีืยังท่านว่าไม่ได้ไปเราแต่ว่ามาถึงศาสนาพุทธพอี่ คำที่ว่าพอแล้วคนฟังเห็นมาพานศึกษาน้อยไปเนี่ยไม้ทอนเนี่ยเห็นไหมส้นหนึ่งมันอยู่ทางนี้สดนห น, นึ่งทางเนี้ยท่านจับตรงกลางมันขึ้นแบบนี้สองสนมันก็ยกขึ้นเองของมันครับศึกษาพุทธศาสนาแนละศาสนามันหมดที่จะสงสัยแล้วก็ได้หยุด ท, ท, ท่านเพีเดียวท่านในไปศึกษาศาสนาอื่นยุบเปล่าศาสนาอื่นมันอยู่ทางสองนี้ตรงนี้เป็นจุดกลางนะ ครั บ, ค, รบคือตรงนี้ท่านเห็นความว่าไม่มีที่จะเพิ่มเข้าไปอีกแล้วไม่มีสิเจ้าออกอีกแล้วแต่ความเข้าใจของท่านอย่างนั้นท่านก็ตอบอย่างนี้ท่านเราเขา้าใจพระพุทธศาสนาแล้วพอแล้วคำรามเป็นอย่างนั้น <c oughs> อัตมาก็มีความรู้สึกเหมือนกันนะเรื่องคนนับถือพุทธศาสนาอย่างเมืองไทยเราเนี่ยอย่างโยมที่ว่าอัตมาก็ฟังได้เหมือนกันแต่ผมชื่อว่าพุทธศาสนาจะผ ม, มเรื่องอันนี้ก็ฟังได้เหมือนกัน เถึงจะอาจจะมาบอกไปว่าจะเอาฝรั่งมาหัดฝึกคนไทยนะไม่รู้เรื่องนั่นเรื่องอะไรนะโยมศึกษาแต่เรื่องทางโลกทันหลายมันก็ได้ดีไปทางโลกรู้เรื่องของโลกไปะเรื่องอันนี้แท้กริ้งนั่นไม่รู้จักแต่เราอยู่ในกลุ่มพุทธศาสนาเท่านั้นแต่เรื่องศาสนาที่แทกริงๆนั้นเราไม่ค่อยไปดูเรื่องมันเป็นอไรอย่างนี้ ถ้าเบอร์ข้อหลังก็ถามผมว่าศาสนาพุทธคืออะไรนี่ผมเนี่ยตอบว่าไงครับท่านอันนี้ไอโยมจะต้องไปศึกษาพุทธศาสนาเองอย่ า, าเอาความรู้ของคนอื่นไปตอบเลยมันไม่นูผมไม่ไม่ผมไม่ได้หมายความนั้นครับผมหมายความสมมติเขถามมาแบบง่ายๆว่า What is พุทธศาสนาคืออะไรเ อ, อย่างผมถามท่านพุทศาสน์คืออะไรท่า น, นท่านพอจะได้อแตมามันไม่ได้มินมีแล้วต้องตอบไปพุทธศาสนาเนี่ พุทธศาสนานี่คือความจที่ถูกต้องเอานั้นนะจริง ท, ที่ถูกต้องแล้วอือมันไ ม, ม่ความจริงใช่ไหมคะ ใ, ใความจริงที่มันจริงนี่ไม่จริงเลยที่มันที่มันถูกต้องเลยนะ่ะทุกวันนี้ถ้าเราทําถูกแล้วเราสบายกันทุกคนมันมันไม่สบายเพราะทำไม่ถูกทุกวันนี้ตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละคําที่ว่าที่ถูกต้องมันสําคัญมากที่สุดอ่ะเออ Uh, uh, อ่าันนี้คุมหมดเลย <c oughs> ทั้งามที่คุมได้ชคทแจ้งเลย <c oughs> อะไรแล้วครับ <c oughs> อริยาศาสตร์นะครับไม่ต้อง <c oughs> ไม่ต้องออก <c oughs> ชื่อมันหรอกไอสิ่งที่มันที่ถูกต้องนะ่ะคือความเป็นจริงนั่นแหละมันพุทธศาสนาแหละถ้าเราไปขึ้นความเป็นจริงแเราจะไปถามอะไรอีกไหมถ้าบอกเอาแก้วมายกแก้วมาแล้วเนี่ยจะไปถามมันไม่มหมดปัญหาแล้วเอานั่นอันนั้นควเป็นขันนี่อันนี้เป็นแก้วยกมาให้ดูแล้วคือความจริงแล้วมันก็หมดแค่นั้นนี่ไม่มีทางที่จะต้องไปแหละ เราจะยอมรับตั้งแต่ยอมรับเถอะนะเรื่องต้องมันเป็นอย่างนั้นเพราว่าผมว่ไม่เห็นอยู่ที่ว่าเราจะยอมรับมายอมรับว่าเราจะมีปัญญาถึงพอตลอที่จะรับ <c oughs> นั่นแหละถ้ายอมรับก็ต้องมีปัญญาที่เ <c oughs> ออ <c oughs> เรายอมรับปัญญา <c oughs> เออปัญญาเราก็มีมคําที่ว่ารับไม่ใช่รับของปลอมไปรับอย่างแค่จริงที่อย่ารับได้รับเอาเถอะอย่างฉันได้มากมากของใช้ไม่ได้มันก็มากกว่าจริงอยู่แต่ว่ามันไม่ดีนี่จะทํายังไง มันเป็นปริมาณใช่มันมีคุณภาพอย่างนี้อันนี้ท่านนายพูดถึงคือยกอันเดียวนี้มันคู่หมดอ่ะให้มันคู่หมดทย่างนั้นนี่มีเรื่องพุทธศาสนาเป็นอย่างนั้นอัตมาเคยพูดให้ญาติโยมฟังดูสีุกขาวนั้นแหละไปทั่วทิศไปอย่างเราออกมากันเนี่ยไปเรียนความรู้วิชาใช่ไหมเรียกว่าศาสตร์มันไลยศาสตร์เะเกินทุกวันนี้นะมันยาติศาสตร์ลงไปจนจะนับไม่ไหวแล้วล่ะ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 นี่มันเป็นไส่อย่างนัน้นอาตมาท่านบอกว่าไอศาสตร์คือพุทธศาสตร์เนี่ยมันครอบนะครับหพอบอยากไปย้อนกลับไปได้ถึงหลุงพี่น ะ, ะ, ะที่พอลุงพี่ไปถึงเพียบปั๊บนะฮะ<ไ>ปะพอกายเข้านะแล้วเกิดวามิเลื่อนใจแ่แ้ว่าลุงพี่ต้องต้องเอ่อ่เยกว่าจะไงกับเช อ, เ อ, เอ่ยวเ่าไห่กนะ ไปตป่ครุบเอาเลยว่างั้นเถอะนั่นะครับผมไม่ก็เช อ, ชอรเรื่องครับเรื่องอะไรถึงไปปั๊บับใช่คือเรื่องนั้นท่านไปเรื่องไสเฉยในเรื่องแท้จริงมันท่านมาคนควำที่หลังนี่ใช่ไหมมีศรัทธาก่อนเอ่ถ้ามีศรัทธาศรัทธาน่ะท่นเชื่ อ, อไอ้ความเชื่อเฉยเฉยตรงนั้นก็ได้มาทาอย่างนี้แต่มาคนคว่ำ อ, อีกการบวชปฏิบัติขึ้นมามันรูเรื่องจริงไปจริงเึ้นมาทีหลังทับ ก, ก็บไปอีกทีนึง่งโอ้อแต่ตอนแรจ ต, ตอนแรกอาจจะไม่สมบูรณ์ไหมครับใช่อย่างผลทำให้น่ะส แต่กขาเรียบใส่มันข้างแรกแต่่ทิ้งมันนี่นนผลไม้ตัวนี้เป็นเหตุที่ทานกันไปให้คนฟั่วผลอื่นต่อไปอีกมั น, นได้ความจริงอย่างนั้นอืมใช่นี่เดียวว่าข้างแรกเนี่ยเชื่อโดยศรัทธาอติโมกไม่มีปัญญานี่ก็ได้แต่มาเมื่อท่านไปศึกษาแล้วปัญญาเกิดขึ้นมาเอเป็นศรัทธาที่ประกอบด้วยปัญญาไม่มีทางดีเดียงแล้วจำเป็นถ้ายอมก็ถยอมรับเพราะมันเป็นอย่างนั้นนั่นเองเนี่ยศรัทธามันสองอย่างเนีย ไปเห็นก็เชื่อเลยเห็นไหมอย่างนี้นี่ต้องจับมาดูซะก่อนเชื่อเลยอันนี้เป็นจริงมันมีศรัทธาเฉยๆมีมีปัญญายังไม่รู้เรื่องความวจริงมันอย่างผลใหม่นึกว่ามันจะหวานเอามาทานเนี่มันเปรี้ยวอ้าวตายแล้วทิ้งมันไปครันี่ต้องหาหาผลใหม่มาที่ไหนมันจะหวานให้มีปัญญาเกิดขึ้นมาซะก่อนจึงเห็นความจริงของมันอย่างนั้นเป็นศรัทธาขั้งที่สองท่านไดมานั่งภาวนาได้มาพิจารณาอะไร ที่ครอบพิจารณาดีแล้วมันไม่พ้นจากนี้ไปก็กทีความเชื่อครั้งที่สองเป็นไหมครับเอาไมหมดนะใ้นั่นผมจะพอจะเข้าใจ <c oughs> แล้วอนอกจากหลวงปู่องค์นี้มีคนต่างชาติต่างประเทศอื่นที่เข้าไปบวชนี่มากครับเยอะๆไปเดียบันพงเลยบาดหลวงก็ามาบวชีันเยอเนี่ยโอเคแล้วทีว่จะบวชเปนพระ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 ถ้าเปิดไม่บทมุนไก็อ่านในบท อ, อินเดียหรือใ ช, ใช่ใช่ใชที่ลังกาหรืองครับสถานที่บวชสถานที่บวชพูดถึงสถานที่บวชศาสนาเนาะนะศาสนาเนี่ยมันอยู่ทุกแห่งทุกหลลนนะั่นแหะแต่เรามีศรัทธาว่าบวชเนี่ยคาที่ ว, ว่าบวชเป็นยังไงนะอย่างเมืองไทยเรานะ่ะมันมีมันมีเทรวาสมีเทระสมาคมเป็นทางพุทธศาสนาบวชจะต้องมีเสมานะปลูกซีมาตัาง้งซีมาสร้างซีมาขึ้นบวชได้ตรงนี้ไม่มีซีมาจะบวชตรงไหนนี่ บวเรียนทะเลสาบก็ได้อผมว่าคำถามผมไม่ได้ม่ได้ามา้เอาไม้ย่าไงเอาไปทเอ่อยวสมมติเรียนจะเรียนหนังสือนะมีวารอะไรดีๆอยู่สี่ห้าแห่งนะคำถามผมว่าทาไมเขามาเลอกบว่เมืองไทยมากกว่าไปเลอกบวชที่ลังกาเรือมากกว่าเลอกบวที่พม่าอ๋ออันนี้มันเรน่องไอเมืองไทยเราทำไมคนไทยถึงมากกว่าไอฝั่งอะ เพราะมันตั้งลกลากที่นั่นก่อนนะพุทธศาสานานี่ผมไม่ได้หมายถึงคนเปรียบเทียบที่เปรียบเทียบที่เปรียบเทียบที่ยบคนต่างประเทศ <คน S 2> ทีท่ไปบวชที่เมืองไทยครับใช่ก็<อ>ไม่รู้เขาละอนะันนั้นเขาไปมีศรัทธาที่เมืองไทยเขาก็บวชเมืองไทยแต่ดวูเรื่องที่เขาม่ได้ตรงนั้นเน่ย <c oughs> ต้องมีอะไรคนนี้ครับอาารครับมีที่เขายังบวชอ่ะทำไมจะไม่มีเขาไปเมืองไทยมากก็ไปสืบกับพระมากเ้าก็บวชตรงนั้นมากไอ้คนหนึ่งไปคนสองเพื่อนเพื่อนของคนคนหนึ่งมันมีกี่คนน่ะไอ้คนนั้นไปก็ไปเยี่ยมกัันนนนนนนเเยยยยี่่มมมหหืออคลาาาขึ้้งะ เหตุผลมันเป็นอย่างนั้นและอียานต้นรากเงาที่สั่งสอนอบรมในการปฏิบัติธรรมศาสนาคือทางอาวุโสนากรรมฐานหรือรมาธิเมืองนาพอดีกันทั้งหลายที่ก็อยู่ที่โนู้นอยู่ที่เมืองนีเข้าใจแล้วละเข้าใจโยมถามว่าโยมถามว่าทำไมถึงไปวนเมืองไทยหลายคือเมืองไทยนี่ยไม่รู้จักมันเป็นอะไรนะคือคนไปเที่ยวเมืองไทยจุดแรกก็คือมีพระคนหนึ่ง ภาฝั่งหรือเมืองนอกเมืองใดก็ช่างเมืองเถอะก็ไปบวชตรงนั้นก็ได้ความเห็นชัดขึ้นมานะที่สอนก็ไปไอเพื่อนต้องคนคนนี้ ม, นมันมีกี่ร้อยคนนะก็ไปเยี่ยมกันบอกกันไปก็ไปเรื่อยเรื่อยี่เรื่อยไปอย่างวัดประพงศ์เราครั้งแรกมีองค์เดียวทันทุสมีทูองค์เดียวเนี่ยเดี๋ยวนี้รับไม่ไหวเลยครับเอหลายแต่ไม่ไรหมดทุกคนน ะ, ะเลือกเราบางทีมันมีศรัทธามีความเห็น มากคนกเขาได้มากบางคนก็มาปวดพันช้าพันช้าสองคนชา้าสุดแต่คงที่จะอยู่เด็กก็มาแปลว่าเขาศึกษาดังคนเมืองไทยเราศึกษาพุทธศาสนานี้อย่างท่านว่านะอย่างอะจะมาใครว่านต้นไม้มันหลายร้อยปีมาแล้วนะลูกมันต่อไม่่อยมากไปขัว้วเดือดจริงที่มันตายเนี่ยมันพังลงให้เรากวดมันครับอย่างเมืองไทยเราเหมือนกันบวดเดี๋ยวนี้ 15วัน7วันเท่านั้นแหละไม่รู้เรื่องอะไรกเเร็เเว่าปนพิธีนั่นแหละวอดเป็นพิธีนนธอันนี้ก็ไม่ใช่อย่างนั้นนี่อือัตมานี่ยให้ให้ให้อยู่เนี่ยอย่างน้อยบวตดจนอยู่ห้าพรรษาอยู่ด้วยที่จะวอดเป็นนาคยังเป็นต้ น, น, นตันน้งพรรษานนหนึ่งหรือสองพรรษาประมาณหนาด ก, กว่าคนเมืองไทยก <c oughs> <c oughs> มันตึงเห็นชับแต่ผมว่าถ้าเผื่อหลวงพ่อพูดว่า อทุกคนบวชสี่ห้าวันนะฮะสมมติว่าทุกคนใทยทุกคนจะบวชสี่ห้าพรรษาจะเราไม่ต้องทำอะไรกันเลยไปพุทามันหมดถูกไหมครับมันหมดไม่ได้เมือสุดแล้วครับหมดไม่ได้อันนั่นสมมุติในวันที่เป็นไปไม่ได้ครับแต่ก็เป็นไปได้เจวันบางคนสเดือนเป็นไปไม่ได้ถ้าบวชทุกคนบวชไปได้คนละสี่ห้าพรรษาหมดก็ทำไม ก็จะ ม, มีคนทํางานให้ประเทศชาติใช่ไหมคะครับผมมองอย่างนั้นไม่มีคนทำงากิน <c oughs> อ, อย่าไปกลัวเรื่องอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวนี่ไอ้ไสเดือนมันกลัวดินจะหมดกินเนี่ยมันขี้กันลงไปตรงบอลคิดอย่างนั้นเ ร, เราจะไปคิดอย่างนั้นทีไอมันคิดแบบนั้นนะแบบนงภาษาไสาเดือนเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นอันนี้คือสมมติมาตัด บ, บทไอ้ความจริงมันเป็นแบบนั้นไม่ได้อย่างนั้น ยังอาตมาที่สั่งสอนในโยมเชื่ออาตมาตไม่ต้องไม่กรรมวอดหรอกผลสุดๆก็ยอมไปย้อน ไ, ไปหาได้เทไรก็เอาเทานั้นแต่เมื่อเหตุผลอาตมามีว่าถ้าวอดเจ็ดวันสิ้าวันทุกคนจะเป็นยังไงอ่ะมันจะดีไหมใครจะมาสอนจริยธรรมกันอีกอย่างนี้มันก็คนในแงท่ที่มันเป็นไปไม่ได้จะวอดเจ็ดวันสิบหาวันทุกคนไม่ได้ใช่ครับเออต้องวอดตลอดตายก็มีห้าปีหกปีก็มี หวันเจ็ดวันไงมันเป็นเรื่องของธรรมดาอย่างนั้ น, ค, นความคิดเช่นนั้นเป็นเป็นความคิดของใส่เดือนจำไว้มันเป็นอย่างนั้นที่ก่อนอาตจมาครามมากรุงรังดอนเดินมาเมืองนอกข้งหนึ่งเนี่ยถูกกองวีบีซีเขาไปสัมภาษณ์จะได้ออกหนังเนี่ยใช้หนังวันสารพัดอย่างนะสัมภาษณ์ได้เขาพอใจเย พอนั่นมาก็มีพวกฝ่าพระังเข้ามาป ว, วดไม่ดื้อไม่ดืด้อตลอดมาแต่ความเป็นจริงคือเรียกว่าเขายัางไม่เคยเห็นการทําอย่างนี้ครับ <c oughs> เขาก็อยากจะไปดูไปทํากัน <c oughs> ไปดูไปทําเนี่ยมันก็แปลก <c oughs> อย่างนี้ไม่ใช่ได้หมดทุกคนนะไม่ใช่ไดหมดทุกคนไม่ใช่ใดหมดทุกค น, ม, น, ม, น, กคนมันเป็นไปนะ อ, อย่างนั้นเรื่องศาสนานี่ยังี้ยเงี้ยพเอผมผมมีความสนใจนะแต่ ผมว่าศรัทธาผมอาจจะไม่แรงเหมือนเออเนเวันในั้นก่อนศรัทธาอย่ามาไหวในนี่เลยศรัทธาผมมีนะฮะใช่แล้วผมพยายามใช้ชีวิตที่ว่าในทางที่ถูกนะฮะหรื่อาจจะปิดบ้านนิดหน่อยนะครับไม่เป็นไรถ้ามันปิดถูกมันสลับกันไปแหละมันมีหวานอย่างเดียวไม่อร่อยหรอกเปรี้ยวอย่างเดียวไม่อร่อยหรอกมันมีเปรี้ยวมีหวานสลับกันไปจะทาให้ใช่ถูกเหมือนเหมือนหลวงพ่อ พี่นี่ผะว่าผมคง อ, อาจจะยังมีปัญญาไม่เต็ครับใช่ก็อยู่กันที่ใครจะเฝ้าว่านเนี่ยไปหมดละแล้วก็อยู่เฝ้าว่านสักคนดิจะไปหมดกันดิ ไม่ใช่ครับผมเฝ้าบ้านเลยออนั่นอันนี้แหละเด็กวดบ้านให้ดีนะทำบ้านให้สะอาดนะอย่าอยู่เฉยๆนะเฝ้าบ้านนะบ้านนะก็บ้านเออใช่ทำบ้านสะอาดนะทุกคำภาาดีขึ้นมากนะคะเขาทีวันนี้น่ะตั้งใจมาแล้วเนี่ยไม่มีเวลานานเนี่ยจะแก้ความสงสัยลูกหลานเท่านี้แหละให้ปรึกษากันไม่ใช่ว่าสนทนาเรื่องใดแต่เรื่องพุทธศาสนานี้ก็เรือใไอ้พวกเรามันอยู่กันนานแต่ว่าไม่พูดถึงโยม ผู้ปฏิบัติศาสนาในมันคกายโดยที่จะไม่เห็นอะไรเลยเพราะไม่ได้ศึกษาอย่างแท้จริงออาฉะนั้นอาตมาก็จะรายงานให้ญาติโยมทราบซะหน่อยหนึ่งอาตมานี้ไม่ได้เรียนอะไรหรอกเรียนเรื่องธรรมชาติเรื่อง จ, จิตใจตวจพมาแล้วก็อยู่ไปไม่กี่พรรษาก็ออกป่าสอะนะั้นตั้งแต่คราวตัณฑอาจารย์มั่นยังอยู่ระขนาดถึงถึงเนี่ยศึกษาพุทธศาสนาเขาเป็นอายุเก่ากว่าเป็นเด็กมาเยอนะเงี้ย ไม่รู้เข้าไปอะไรกันก็ไปเขาอยู่กันอ่ะตอนอายุเก้บใช่ก็ไปอยู่ก็เด<ๆ>่นเด่นกับพระเจ้าพระสงฆ์คุกคีกันเลยไม่ไช่ใช่เลยใช่มันมีศรัทธาอย่างว่านอ่ะศรัทธาอย่างโยมว่านศรัทธาอยากเขับไปอยู่วัดแต่ไม่รู้ว่อยู่กอ <c oughs> ไม่รู้ว่าอะไร<ๆ>นี่มันเป็นอย่างนี้นอ่ น, นี่ไม่ต้องสงสัยมันแล้วที่นี่คนเราถ้าเราไปศึกษาอยู่นะอย่างเช่นเราเนี่ยนะเราให้อาหารมันทุกวันทุกวันมันก็โตทุกวันเลยจนถึงที่มันถึงวันนี้ เกิดมาครั้งแรกไม่โตถึงนี่เราก็ให้อาหารมันทุกวันมันทึบโตมาบัดนี้เราก็ไปเสพสั่งสมในที่อะไรมันก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นมาเข้าใจขึ้นมามันก็เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเี่ยนนี่ยังเด็กๆกราเกิดมาชอบเต้นอย่างหนึ่งโตมาขนาดนี้อยากเล่นอย่างเด็กมันเต่นไหมนะไม่อยากเล่นอย่างเด็กมันเล่นมันมีประโยชน์แต่เราจะพูดไอ้เด็กฝังเมื่อก้ท่ามันมีประโยชน์ไรือแม่มันเกลียดเราเลยนะ อย่างนั้นทําไมเราก็เป็นเด็กก็ชอบอย่างนั้นทําไมไมันเปลี่ยนนะภาระนี่ทำไมมันไม่เป็นอย่างนั้นนี่มันเป็นอย่างนี้คือธรรมชาติมันได้เรียนในเสพสูงมาเด็กเด็กมันเป็นมาอย่างนี้อือมีการเรียนกับธรรมชาติของมัน <S <S ครับแต่ธรรมาก็โอกาสให้โอกาสถามนะอย่าโยมเราเนี่อืาอืมไม่ได้เอาอะไรม า, มาพูดหรืฟังเอาความจริงนะพูดหรือฟังกับกับ <S <S ผมผมผมีปัญหาถามมีพ่อ เดี๋ยวมันมดเวลาผมก็บอกนั่งกรรมฐานนะฮะอย่างนั่งกรรมฐานแบบพนนีอนั่งไหนกันผมคิดว่าพวกเราหลายคนที่อยากอยากจะนั่งเหมือนกันใช่ใช่แล้วผมอยากให้ท่านพูดถึงผลประโยชน์แล้วก็อทั้งในทางร่างกายและจิตใจอของการได้ได้ได้ดังกรรมฐานแล้ววิธีทำโดยกับวิธีทําก็ได้ใารยมจะทําได้ไม่ยากแล้ะจะมีใครขอให้ได้ทั้งนั้นก็จะมีคนเอาเท่านั้นะ ก็ไม่จำท่านทำไมท่านไปคิดกันครับผมจะยอมรับคนใช่ก็พูดให้คนฟังนี่จะทํายังไงอะเรื่องนี้เรื่องเรื่องพระเนี่ยนะไม่ใช่มีอะไรโดยตรงเป็นอย่างอื่นนะเรื่องจะสั่งสอนตัวเจ้าของนั่นแหละสั่งสอนประชาชนทางไหนที่อุปการะพระมหาเถรวาทไม่มีเรื่องอื่นจะพอตัวอะไรไปที่ไหนไม่มีนะเอาเฉพาะความเป็นอยู่แลยประสงค์เพาะตัวสงค์เพาะคนอื่นเท่านั้น เรื่องพุทธศาสนานี่นะเรื่องศีล น, นะเรื่องศีลบทของมันนะเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาเท่านี้สารูปง่ายๆเรื่องศีล น, นั่นนะเรื่องทำเราทางไหนเป็นต้นไม่ให้มีความเดือดร้อนวุ่นวายทั้งหมดนะหมายความไปอย่างนั้นอย่าไปว่าทําไมมันมทำไมมันวุ่นวายอย่าไปว่าอย่างนั้นนะ ข้อที่สองความไม่บุบวายเกิดขึ้นไม่เกิดขึ้นเนี่ยความสงบเกิดขึ้นมาคือสมาธิเมื่อความสงบเกิดขึ้นมาแล้วได้ดื่มวามสมาธิเนี่ยความสะอาดมันจะมีปัญญาก็เกิดครอบเลยทีนี้มาพูดถึง ก, การกระทํานีาาา่มันกระทํายากได้หน่อยนะอืออยากน้อยแต่ว่ายากก็ไม่เป็นอะไรหรอกยากมันถูกของดีมัน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 กนักเสียงเงินทุกข์กับทุกข์อย่างเงินพระพุทธเจ้าท่านสอนให้รู้จักทุกข์ที่ไปยึดขึ้นมานี่หมายความว่าไปหมายมัน่นมันเกินเกินไปแต่ยกมันจนเกินไปไม่วางมันอย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนอะไรก็อไม่ดีจัดท่านยังสอนายาเลยอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เา้าอันนี้ไม่ใช่ของเราเทียงท่านไม่หยู่เหมือนกันนะเทียงเฟื่อจะแบะกเอาให้มันหนักนะ <c oughs> ันหนักไอนี้ทําไม่หนักก็ไม่สบายนี่ หนักจังริ่มจังโลนนี่อันนั้นมันหนักก็พยายามเป็นตะโกยเอานี้น่ะคําที่ว่าท่านบอกวางเงี้ยผมก็ไม่ทํามาหากินดอไม่ใช่อย่างนั้นอีกไม่ใช่ให้ทํามาหากินดีแหละให้ขยันขึ้นในทางที่ชอบไม่ใช่ใเกลียดข้าให้ขยนันให้สะสมอันนี้แต่ว่าให้รู้จักวัตถุอันนี้วัตถุอันนี้ไม่ใช่อาหารสําหรับใส่น้ามาดื่มอย่าไปลืมทั้งแก้วนะถ้าดืมทั้งแก้วมันเป็นทุกข์เข้าใจไหมนี่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 ในไปมัน่นไปหมายมันถึงเกิดทะเลาะว่าแว่งกันมาเพราะสิ่งที่มาใจของเราเราพอใจแบบของเรานี้เองมันจึงถูกเกิดขึ้นมามันจึงเป็นของหนักอย่างนี้แต่เราให้รู้จักอย่างนี้อันนี้ก็ต้องไปพิจารณาถึงจะได้อืมจะต้องไปวิจัยต้องไปพิจารณาดูเหตุผลมันจริงๆอย่างนั้นฉันจึงให้นั่งสมาธินั่งสมาธิเราเป็นั่งไอคนศึกษาทางโล ก, กมากมายเออฉันไม่นั่งแล้ว ไปนั่งดับตาจะเห็นอะไรืมทางก็ยังไม่เห็นไว้ามันว่าไปยังงั้นอีกซะแล้วเรามองดีมองทาเมืองสทยเราเห็นไม่สายตาเดเรานั่งดับตาถึงเนีมันเดินทางนี้ทางจิตเนี่ยเราเราไปเห็นขนาดนั้นไป น, ไปนั่งไปนั่งมันจะเกิดประโยชน์อะไรเนี่ยพ่อเห็นว่านั่งไม่เกิดประโยชน์ไปนั่งพับเดียวคือไม่รู้จักเรื่องของมันไอความเป็นจริงอน่ยตาของคนเราเนี่นะตาของคนเรานี่ท่านแยกเป็นสองอย่างตาเนื้ออันหนึ่ง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 ทุกไม่มีปัญหาไม่เกิดเพราะว่าเห็นมันเป็นอย่างนั้นแล้วนี่แม่ถึงหนักไปกว่านั้นอีกอย่างคุณป่วยนะคือว่าดูตัวตันจริงๆอันนี้แบบนี้เสีย ด, ดายถ้าคุณป่วยพุ่เข้ามาถ้าเข้าโรงพยาบาลแนตะ่คุณจริงๆนึกว่าโอ้หายแต่เติร์สประคุณไม่หายพระอาจารย์ว่าอย่างนั้นท่านไม่เห็นข้างนี้อาจารหายก็เอาไม่หายแต่เห็นอย่างนี้ เห็นทางที่ไม่ต้องทุกข์ถ้ามันหายก็ให้มันไม่หายไปถ้าหายก็ให้มันหายไปถ้าเราอยากให้มันหายอย่างเดียวถ้าเหตุที่มันไม่หายมีก็ร้องให้เท่านั้นแน่ได้ไหมคือเหตุมันยังเหลืออยู่อย่างนั้นเชื่อมันยังมีอยู่นี่ธรรมะต่างสอนไปทางในโน้นท่านหมายถึงว่าถ้าเบื่อว่าถ้าเบื่อเราจะทําอะไรถ้าเบื่อเราทำมาดีที่สุดแล้วมันเกิดแค่นี้ก็ให้พอใจแค่นั้นได้ไหครับออืม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 คิดเรื่องอะไมันเหมือนกันอย่างนั้นจริงนอนไปคิดอย่างนั้นนอนไปเดินไปคิดอย่างนั้นคิดจะให้ไกเหมือนกับเปิดคิดจะให้เปิดเหมือนกับไกคุณจะทุกข์จนตลอดเวลาเลยถ้าคุณนี่เดินกระไปคุณให้เรื่องเปิดก็ให้มันเป็นอย่างนั้นเรื่องไกกระมันเป็นอย่างนั้นของมันมันเป็นอย่างนั้นแล้วปัญหาก็ไม่มีครับนะปัญหามันปรหมดอย่างนั้นไม่ได้ฝูไว้นี่คือเห็นตากความเป็นจริงมันอย่ง นี่ยใชท่านครับไอ้ไอ้ข้อนี้ครับผมยังยังไม่ใคร่เข้าใจดลทีเดียวให้มันเข้าใจดีตามเราพุทธศาัสนาว่าเห็นไปเท่าที่เห็นนะะอย่ามั่นใจนะในสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างนี้ี้ผมเขาใจให้เข้าใจถูกดียังงั้นไข้ก็ต้องกินยาไปก่อนดีหรือจะไม่กินยาเลยนานนี่เรื่องโรคปต้องเป็นอย่างนั้นมันไข้ก็ต้องกินยาไปก่อนอย่าเพิ่งกินย่ามันหายทุกคนอย่าเพิ่งเข้าใจขนาดนั้น บางคนหายบางคนไม่หายอย่งังต้องเข้าใจไปแบบนี้อันนั้นมันเรื่องสังคมธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วไม่ให้ตัดด อ, อกอย่างนั้ น, น, นอื ไ, ไม่ให้ตัดดอกอย่างนั้นทีนี้ไอ้ไอ้บ้านเมืองเราไอ้ทาไมมันไม่ไปปรับปุงกันเี่มันเลยจะไปปรปับุงมันทําไมนี่เดียวครับแล้วเมื่อเราเกิดมาอีกี่20ปีแล้วมาตายไปแล้วเรื่องอะไรถ้าอยคิดไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้น<อ>มไม่ใช่อย่างนั้ น, น, นถ้าเราเข้าไปในพุทธศาสนาความคิดเช่นนี้ไม่มี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 ไม่ต้องทําอะไรมันท่านี่ไม่ใช่เรื่องความคิดของพุทธศาสนานั่นก็คิดไป็นแขนงหนึ่งอ๋อไม่ไม่ใช่มไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แต่ว่าให้หาให้มันมากก็ได้แต่อย่าเราจะให้มันทุกข์กับอันนี้เห็นไหมอ่าอย่าให้มันทุกข์อย่าให้อนี่เป็นพาพาให้เราทุกข์แต่ให้เราใช้อันนี้อยู่แต่อย่าให้อันนี้พาเราทุกข์อย่าเป็นธาตุของสิ่งนี้เราหามันมากก็เป็นธาตุมันพอแรงแล้ว มันจะแตกไปกัยังทุกข์กับมันอยู่อีกนี่จะเอาดีเมื่อไหร่เราเราเออนี่เรื่องจิตนะเรื่องจิตนะให้คุณแยกมอกเป็นเรื่องจิตนะโอเคอับไอ้ที่ไอ้ท่ผผมได้อ่านบทความของคุณท่านพิกลนะยาให้เรียกว่าพิจมันว่ายาไอ้เป็นของกูเลือดทัานพูดแบ้นนะว่ากูของกูเลือ อย่ายึดมั่นในนั่นนะท่านหมายความว่าไงครับท่านพระชาย้สูงศักดินี่แหละนี่แหละนี่แหละที่ท่านอธิบายฟังใช่นี่คือกูนั่นมันไม่มีไม่ใช่ว่าจาของนี่ไม่ใช่ของเราตัวเรานี่มันก็ไม่มีกูนี่ท่านหมายถึงเรายึดถือว่าของนี้มันเป็นทางให้เราเกิดทุกข์ถ้าหากว่ามันมีกูนะมันมีโดยฐานที่สมมติ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 ไปนั่งดูให้จิตให้มันสงบท่านยังให้มีศีลมีสมาธิมีปัญญาถ้าหากว่าไม่เห็นด้วยตนเองอย่างนี้เทียงกันไม่มีหยุดเลยเทียงกันไม่มีหยุดอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้มันมันมันมันมันไม่เห็นแน่คุณโอเคตรงนั้นไอ้ความเป็นจริงตรงนั้นแหละมันเป็นความจริงอย่างนแล้วแต่เราไม่เห็นความจริงมันมันก็ยกกันนะมามาพูดกันไม่เข้ากันพูดอันเดียวกันไม่เข้ากันใช่ผมว่านี่เป็นภาษาของโลกใช่คือคือผมฟองจะเข้าใจแล้วครับเออ ก็เราต้องไปหาพยายามหาเงินมาซื้อแก้วเพื่อไว้ใช้แต่เราไม่ได้เป็นทาสของแก้วเอวอพราะว่าเราเชื่อแต่เมื่อรู้ว่าแก้วแตกแล้วไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ซื้ออเราต้องไปหามาเพื่อใช้จแต่ให้รู้ไปดีอีกต่อไปให้รู้อย่างนั้นอีกต่อไปไม่ใช่ว่ามาให้แก้ววีอ๋อที่เรียว่าของเรานี่ให้พูดเสมอว่าของเราแต่ว่า เมื่อโดยทันที่สมมุติต้องเป็นเราเกิดมานี่ชื่อไม่ตรงกันทุกคนครับสมมุติว่าโอเคอเราเกิดมาไม่จยิบีน ะ, อ, ะอยู่ชีวิตไม่นานแล้วเรื่องไรเราไม่ควรยึดมั่นคือมั่นในสิ่งทั้งหลายแล้วเรื่องไรเรามามัวเสียเวลาทำอากินสร้างกรรมกรรมไว้ให้ใครครับในก็นั่นที่ฉันว่านี่สร้างก็อย า, ยากาให้มันทุกข์ดีทันไหมทุกข์เทอานั้นอยากสร้างอยังให้ทุกข์ไม่ต้องสร้างาให้ใครเออไม่ให้ใครทั้งนั้นนี่สร้างไห้ใคร คุทุกคนสร้างไงใครมีไหมไม่ต้องคิดว่าให้ใ ร, รสร้างใช่แต่พูดตามความจริงเน่สมมติเราคิดแบบนั้นนะอ่านั่นเรแต่ไม่ให้ ม, มั่นเลอต่าพวกพมานักเมื่อเราต้องอาจะของรักไปอะไรอย ถ, ถเผื่อเราคิดแบบนั้นแล้วเราจะาสร้างสร้างไอ้ประเทศชาติจะเจอได้ไงครับเฮ้ถ้าเผื่อเราเราเรียกว่าไม่ใช่ของเราเราสร้างไหมสร้างอาทาไมเมื่อไม่กี่ปีเราก็ตายไปแล้วนั่นี่ใครสร้างนี่ใครเป็นคนสร้าง ใครเป็นคนสร้างนี่เนี๋ยคนสร้างได้อะไรไม่ดีนี่ทีนี้พระพุทธเจ้องค์ท่านไม่สอนอย่างนั้นน่ะท่านไม่สอนในีเป็นคนเห็นแก่ตัวอย่างนั้นแก้วใบนี้มีสตางค์ก็ซื้อได้หลายเธอเพื่อนมาใจคนใดใบทะใบนี่ใบ น, นั้นะก็ได้ไม่ใช่ใบไม่ให้มีไม่ใช่มาหาเพราไใทําไมมีมากก็ได้แต่เราอย่าให้มันเป็นทุกให้รู้จักทุกแก้วทุกใบทุกใบแต่นั้นครับนั่นผมขเข้าใจอ เราสร้างได้พยายามสร้างหมายถึงว่า อ, อต้องกระจายสิ่งที่เราจะสร้างสร้างในสิ่งที่ให้ถูกทางเมื่ไหรครับใช่ใช่คือเรื่องถูกทางไม่ถูกทางนั่นนะถึงแม้คุณจะเอาเงินทองของคุณมาทุ่มเทสร้างขึ้นก็ถูกทางของคุณนะนะแต่ว่าเมื่อว้านมันจะพังเมื่อไรนั่นนะ่ะมันก็ยังเป็นของคุณอย่นะ มันจะทุกอีกมันจะนลำบากอีกถ้าไฟมาไหม้ก็รำ บ, บักให้รู้ไว้อย่างนี้ถ้าเราจะสร้างก็ได้อืมอถ้าเราก็สร้างก็ได้ถึงถึงถึงจะคุณอาให้เป็นของคุณกว่าจิงแตยว่าผลสุดสุดอวมันก็ไม่เป็นอยู่แล้วท่านบอกไปก่อนแต่ว่ามันไม่ใช่ของคุณถ้าหากบอกไว้แมันเป็นของคุณอย่างแน่นอนคุณจะยิ่งจะเป็นบ้าหลงไปควนี้อีกขนาดท่านว่าอันนี้ไม่ใช่ของคุณนะรนวองนะมันเป็นสมบัติอย่างนี้ขนาดนี้เรายังตะกลายจะไป็นหุบให้มาก ไม่ใช่แต่นั้นยังทะเลาะกันอีกยังปนกันอีกนะยังทะเลาะกันอีกนะั้ของไม่ใช่ของใครทุกคนอกันเ อ, องเท่านั้นนะให้มันเบาทุกลงไปเท่านั้น อ, อ, อืให้ดู จ, จากรละวางในทางพุทธศาสนานีน่เป็นอย่างนั้นมันไปนถูกความท่านนะท่านก็ไม่บังคับให้ท่านสร้างนะพระพุทธเจ้าใครบังคับไม่เราสร้างตรงนี้บ้านเรานี่นะแต่ความอยากเสียมาเกิดขึ้นตรงนี้เอง ความอยากนี่ครับที่ผมสงสัยว่าวมันเป็ น, เ ป, นเป็นความดีและความเลวครับที่เรามีความอยากทำอย่างนี้มันเป็นความถ้าเรามีปัญญา น, นั่นมันความอยากแต่มันก็ดีถ้าเรางโง่มันมีความอยากแต่มันก็ไม่ดีคนรวยมันดีหรือเปล่าก็คนจนอะไรมันดีกว่ากันอา้าวจะถามคุณเรื่องนี้เอท่านคำตามว่าไงครับคนรวยกับคนจนใครดีกว่ากันมันผมว่าต้องถามว่าดีเอแบบไหนแล้วแบบไหนแต่แบบมันดีนะดอก ดีถึงที่สุดมันน่ะล่ะเอาดีอะไรก็เอาครับคนดีแล้วคนรวยเดียวกันนะฮะคนจนแล้วคนรวยคนจนแล้วคนรวยผะว่าก็ดีทั้งสองฮทั้งสองทั้งสองฝ่ายคนรวยเคยมีทุกข์ไหมทั้งสองฝ่ายที่ตรงกันแน่นัน่ น, นแหละมันก็เสมอกันอย่างนั้นได้ไหมแต่ผมว่าไอค้คำว่าดีกันนี่มันไม่มีใครดีกันโลกใช่นี่มันเสมอกันอย่างนั้ น, นพูดพูดถึงที่สุดมันถ้าไปดูบ้านถ้าถ้าคนมีบ้านดังใหญ่กว่าบ้าน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 อย่าไม่เชื่อให้ฟังอไปฟัอฟังไปเฉยๆฟังไว้รู้ตเหตุการณ์ของมันสิเป็นไปยังไงคุณสํานึกอยู่เสมอว่าดีด้วยมันเป็นยังไงสังเกตเรื่อยๆดรืยๆเรื่ไปนี่ยมันเป็นเช่นนั้นเราจะเห็นมาจริงคือแม้มันขามันมากมันจะวิ่งเร็วนะไก่มันสองขามันวิ่งช้าครับน่าจะคิดอย่างนั้นก็ได้นะแต่จับตัวตัวตัวมันวิ่งแข่งกันในจริงคือสู้ไหวไหมเนี่ย มันจะเป็นอย่างนี้ก็ได้ด <Yeah. S 1> <Yeah. S 1> เเอนีข่ขามันมากมันเกกะเฉยเฉยตัวมีเนื้อเนื <laughs> <laughs> น้อี่ไอคิดทบทวนไปมาไปต้องไปภาวนาให้เห็นทางจิตก่ออันนี้อันนี้ไอคุณจะเสริมออกมามันเป็นทางนอกอันนังไงทางในอันนี้พูดเสริมมอกันนีมน่มันฟังยากกหน่อย <c oughs> ในในในในที่ว่าอย่างนี้อัจมาจะบอกง่ายง่ายว่าถ้าความสงสัยอย่างนี้มีอยู่นะถ้าคุณจะไปเที่ยวถามให้หายความสงสัยนั้นตายก็ไม่หาย จะไม่บทหนึ่งนะนะถ้าหากว่าคุณจะหายสงสัยนึกคุณจะนั่งสมาธิวิกิจสงบหรือะไรนึงไงมันรู้เป็นมาเองนั่นแหละแล้วหลวงพ่อจะแนะนำวิธีนั่งสมาธิได้ได้ได้่ครับนะสมาธินี่นะสมาธินี่เป็นเรื่องของทำทำยากได้หน่อยหนึ่งก็เพราะว่ามัน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 ลมมันออกไอรู้ตามลมเท่านี้ไม่ต้องไปทําอะไรมากมันจะรู้อะไรมันเต้นนี่มันยาคิดวุ่นวายเลยแล้วสมมุติตอนที่นั่งเนี่ยผูที่ไอไอไอเรื่องยมันเข้าในจินเรื่องอะไรไอเรื่องที่ผ่านมาเรื่องอะไรแบบนี้ในชีวิตเอือไอเรื่องที่เราเกิดไปทะเลาะกับใครคนไหนนั่นละมันนั่นละนั่นเรื่องทรมานมันละนั่นอุติมันรวบตรงนี้กับตรงนั่นดิแต่มันไอไอเขาไอไอไอ ตอนที่เรานั่งสมมตินั่งเน่ยไอไอจิตอย่างอื่นมันเข้ามาจิดอะไรเรื่องอื่นเข้ามานี่มันผมคิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาตินะที่มันที่จะเราจะตัดโดยจะย่ํำพับตัดให้มันใจไปใจไม่ใช่เอาเดียวนี้นะนั่นนะนี่อีกในชีวิตนึงได้ก็ยังดีนะนี่พูดดีนะไม่ใช่มันง่ายขนาดนั่นนะตรงไหนรู้มันเรื่องอะไรผมถือว่างนะครับอ่ากมันไอที่นั่งโดยไม่ให้มีอะไรเกิดเข้ามาให้ว่างทีเดียวนี่ผมว่ามันใช่ เข้าใจหลวงพ่อเข้าใจอย่างนั้นน่ะเช่นว่าคุณนั่งเสียงดนตรีเขาเล่นเนี่ยคุณต้องการความสงบใช่ไหมคุณยังไงนะอะได้ยินนะอะ้รยินนะคุณจะนึกว่าอย่างไงคิดว่าเสียงมาขวนเราเงีนยเดผมผมไม่นึกนึกยังไงจะสบายไหมจะสงบสงบไหมผมว่าผมสงบเสียงก็เสียงมีบ่อยฮะได้อย่างนั้นจริงอด้อด้วยอันนี้ด้วยเป็นคําพูดเฉยเนี่ไม่บางทีได้ยันจริงแต่บางทีถ้าเผลออยู่ในอารมณ์ที่มันไม่ถูกอารมณ์นี้มันก็รบกวนเหมือนกันครับนานนะมันรบกวน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 ไอเซนอ่า่้ า, ามารถวนมนะมีมีใช่ไหมครับมีผมก็ถามได้ น, นะครับ <c oughs> <c oughs> มีมี <c oughs> แล้วหลวงพ่อทไงครับเวลาแต่รู้มันอันนี้มันเป็นอะไรไมันเป็นอารมณ์เฉยๆ่ไม่มีอะไรกับมันไม่มีความวุ่นวายกับมันแล้ว <c oughs> เห็นไก่มันผ่านเห็นไก่มันผ่านเห็นสุนัมันผ่านุนั ม, มันผ่านไปอะไรมันผ่านก็ผ่านไปไอ้นี่ก็สงบเฉยๆแต่นั้นพอรู้เรื่องของมันแล้วอย่างนี้จิตมันก็สงบ หลวงพ่อยัไม่บอกวิธีนั่งเลครับนี่นั่งเดียวนี่งามาเดิน้นั่งคือนั่งัจจมาดดินั่งว่ัจามาดิเอาขาขวาจับปายซ้ายมือขวาัมือซ้ายนี่นี่่สิรเออดั่กใจตรงมือขวาทัมือซ้ายเออตรงนะนั่นฟันติดคูปนัหนึ่งนะปับซ้ายัซ้ายนะแลวก็เราจะนึกว่าเวลานี้เราจะปล่อยวางทั้งหมดให้เด็กๆทนเดียว เรื่องการงานทุกสิ่งเรื่องลอยแล้วเดี๋ยเนี้ยไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรก็ออออใช่ไม่ไม่เดี๋ยวนี้ไม่ไม่ไม่ ไ, ม ไ, ม ไ, มไม้องนั่งแก้ปัญหากับใครแล้วลว่าเราจะปล่อยวางนะเออปล่อยแล้วกำหนดให้ความรู้สึกกับลมอารมณ์เป็นเป็นหลักฐานลม อ, ออกตัอว่าหายใจให้มันสบายหายใจให้มันสบายนะอย่าไปบังคับให้มันยาวนะอย่าไปบังคับให้มันสั้นนะให้ไปตา ม, ตามสบายพวกมันนะ พี่เมยอจะมีอะไรมาผ่านกพอช่างมันก็ปล่อยวา ง, งนั่งอย่างนี้มันจะเป็นยังไงไหมอย่าคิดคิดก็ไม่ส่งเสริมมันนั่งไปอย่างนี้มันจะเป็นยังไงมันไม่จะเห็นเลยอย่าไปคิดไม่เอาทั้งนั้นนะเราไม่ต้องการอะไรแล้วต้องการดูรมเขาออก <c oughs> นะนะจนกว่าที่เรามีความสงบไปไเรื่อ แ, แ, แ, แล้วท่านต้องหลับตาครับหลับตาหนิ้หนึ่งทีแกไปดับไปมันแล้วนั่ง ไม่ต้องเพ่งอะไรยังไครับไม่ต้องเพ่งอะไรดูนี่นี่ี่ดูรถเข้า อ, ออกนี่เนะี่ยเอาเช็ดรูนอนเทอเน่ยไม่ต้องดูอะไรนั่งหนเดวเอาตามกำลังนะเอาตามกาลังนะแกดูนะครับมันมากด้านน้ำชนานไป ม, มันสบาู้นแล้วนั่งวันลเกียทครับเออเอาเือมีโอกาสอทไรก็เอาเชอก า, างคนกบเป็นไปนั่งข้างัวมันก็ไม่ได้ทำงานีน ใช่ใช่แยุฒประโยชน์ดิไอคนมีประโยชน์มากๆยิ่งเสียแล้วเนี่นั่งมันเวลาเราจะนอนเนย่ยไงเนี่ยซื้อเวลาเราพักผ่อนวันหยุดอย่างนี้เราหารมไม้ดีไปนั่งเดี๋ยวหลับเลยนะครับนะหลับก็คนมันหมดแล้วนะน่ะคนเกียร์จะมันดับเนี่ยเราเคเขียนหนังสือเราเคยดับไหมมันก็อย่างเดียวกันนั่นแหละเราเคยเขียนหนังสือทําบัญชีอะไรมันดับไหมนี่ มันจะรับยังไงมันเขียนอยู่จ่งองนันรับมันก็ทังเท่านั้นแหละจิตนี้ก็วันกันนั้นแหละมันก็แยกออกจากลมเท่านั้นแหละคนยังไม่ได้ทํานะสงสยัยอาตมายิ่งจะสงสัยมากกว่านี้ <c oughs> ถ้าไม่ได้ทํานะเอะทีนี้ต่อไปนี้เมือม่อเมื่อโยมในในกิตสงบเนี่ยไม่ต้องนั่งมากต่อต่อไปนั่งที่ห้านาะทีนั่งไปที่มันจะเก็บัวก็วนั่งไปอยู่แล้วก็เมือม่อเมือม่อเมือ่อคุณบอกจากสมาธินะ จะไปทํางานอะไรที่ไหนจะทําอะไรกตา่างจะยืนเดินดังนั้นให้มีสติอยู่ว่าทําอะไรอยู่อย่างนี้คิดอะไรอยู่อย่างนี้ทำอะไรอยู่อย่างนี้คิดอะไรอยู่เอย่างนี้นะเออ <Heroes. S 1> อันนี้มันเป็นที่เรียกว่า่ให้กําลังเราที่ไม่ไม่มีเวลานั่งนานเราจะทํางานอันนี้ว่ายืนแล้วก็ต้องทํางานนั่งก็ต้องทํางานนอนก็ต้องทำงา น, งา น, างานให้มันมีสติอย่างนี้อยู่เสมอเท่าที่เราทําได้ ลองดูให้กินสมบงรณีลองทลองๆมันจะเป็นยังไงไหมให้มันเกิดขึ้นในนั้นนะในที่มันยัง <quote> ไม่รู้นั่นแหละเออไอตัวที่มันไม่รู้นั่นนะอย่าไปถามคนอื่นโดยให้มันรู้ขึ้นมาะมันจะบอกตัวมันเองตรงนั้นผมก็ลองลองทำดูครับแม่ก็ผมคิดว่าแต่ผมไม่ทําแบบของพวกเอเดียนไม่ใช่ไอไอ Transcendental Meditation สองอินเดียก็อืมแล้วคับดังนั้ก็ก Clear ็แบบว่าให้พูดถึงคำคำโดยที่คํำคำนี้ไม่มีความหมายอะไรทั้งส hmm UM ิ้นเพราะว่าถ้าไม่จิตว่างไปโดยที่พูดถึงคำที่ไม่มีความหมายมันก็คล้ายๆกันเองนะกับของของพวกเราอันนั้นเราเราเราลู่ดาไม่รู้ถึงแง่มุมของมันไม่ได้ไม่ไม่ได้ถึงที่สุดเรายังไม่รู้เรื่องของมันความเป็นจริงของว่าง แค่ไขว่าแก้วนี่ไม่มีครับต้องมองเห็นแก้วที่ของว่างถ้าไม่มีวัตถุมันจะมีว่างเลยว่างมันเกิดจากท้องทีมีอยู่แต่ท่านพูดว่ามันเป็นของว่าง อ, อ่า <laughs> นี่แก้วนี่มันเป็นวัตถุท่านบอกว่ามันว่างธรรมจิตเองมันว่า ต้องจิตให้ว่างจิตจะเอาอะไรไปทํำให้มันว่างมันว่างกันหมดแแล้วเนี่ยมันเ็โจนมูมันคำที่มาว่างมันว่างในของที่มีอยู่ว่างในของที่มีอยู่ยางไงนี่อันนี้อันนี้มันเป็นของสมมุติท่านผู้สูงหมายถึงว่างในสิ่งที่เราคิดอยู่หรือสิ่งที่นั่อยู่มามาผ่านเรากระทบกระทบเราทั้งวันให้ว่างจากสิ่งนั้นให้ว่างจริงจริงแต่อันนั้นมันมีอยู่นะ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 ไปสมุติมาจากอะไรเนี่ยสมุติว่าจากสิ่งที่มันไม่มีบให้มันมีนี่นี่มันเป็นของสมุดไอความเป็นกิ่งแก้วมันก็ไม่ใช่ไม่มันไม่มีอะไรทั้งนั้นมันเป็นธรรมธาตุขึ้นมาเฉยๆแ่านั้นแล้วก็ไปตั้งชื่อมันแล้วก็ไปยึดชื่อมันติดชื่อมันเออใครว่าแก้วก็ยึดบบแก้วไอคนนี่นึกว่าถ้วยกว่าถ้วยไอคนไปพบแก้วกับถ้วยเนี่ยพูดคนในอย่างก็ทะเลาะกันเลยนะเ <c oughs> นี่ย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 ก็มาทัพันคนร้อยคนจะเป็นประโยชน์อะไรล่ะนี่จึงเรียกนายก or นายกันมีประโยชน์แค่นี้สมมุติไม่ใช่ว่ามีปรอโยู่์ที่นี้มีมุดมันก็มันก็พ้นจากนี้ไปคือว่ามันไม่ดีอะไรตรงนี้ที่มีเดียวนี้ก็เรียกว่าสมมุติของเรานี้ก็มันของคุณเอาแก้วไปซื้อมาเดียวนี้ถ้ามาหาพระนี่ไม่ใช่ของคุณตรงนี้คุณก็จะเถียงไม่ใช่ของผมผมซื้อมาเดียวนี้ชื่อกวจริงชื่อมากกวไม่ใช่อ่าอย่างนี้มันว่าอย่างนี้ ลงการ น, นั่งสมาธินี่ผลประโยชน์นี่อท่านยังไม่ที่บายผมว่าทนเขา อ, อยากให้ทนที่บายอาจามาเห็นว่ามันมันไม่ค่อยยากอะไรนะอะไอ้ผลมันเกิดมาจากเหตุกันเถอะถ้าเราทําแล้วผลมันจะเกิดขึ้นเองไม่ไม่อยากจะรู้ท่ญญานก็รู้เช่นผลไม่ผลนี่เนะแต่ทํำไมเขาเข้าใจอ ย, าอย่างเดียวก็ให้เข้าใจหมดนะอาจามาไม่เคยว่าเมือนนอกนะ ไม่รู้ว่าผลอะไรนะก็ไม่ทานแม่อร่อยดีนะมันหวานมันหอมรู้จักกันแต่อัตามาก็ชื่อผลอะไรเนี่ยอัตามาก็ไม่สําคัญมากไม่ต้องถามหานั่นเลยรู้ก็ได้ไม่รู้ก็ได้ถ้าถ้ามีคนขอบคุณมาบอกผล น, นี่ชื่อนั่นก็รับฟังนะถ้าไม่มีใครบอกก็ช่างมันแห่อัตามาในชั้นผลไม่เฉยนี้ก็แล้วนะเท่านั้นแหละถ้าก็อันนี้ผลอันนั้นมันไม่เพิ่มความหวานกว่ดีกว่าเห็นไห มันไม่เพิ่มความมาเร็ดรอร่อยขึ้นดีหรอกครับนี่เข้าใจอย่างนี้เราก็ไม่ค่อยสนใจอะไรเท่าไหร่ควรรู้กับูให้็นคนรู้ถึงเกิดคือเกิดเกินช่ไหมนี้กินของคุณเยียร์เยน็นคุณจะมีสติปัญหาได้เกิดขึ้นมาพูกเป็นคนคุณจะพยายามตัดออกนะมาให้เป็นทุกอย่างสมมติเก่ารู้จัว่าอะไรเป็นอะไรออนั่นนะมันจะเป็นอย่างนั้นอื ม, อมจะจะจะต้องเป็นอย่างนั้นให้ค่อยๆชังเกียรไปอย่าเร็วนะนี่น่ากลัวจะร้อนเกินไป อ, อยังให้ร้อนนะร่อนไม่พกนะรอมหนึงร้อนใหญ่น ะ, ะผมพยายามนั่งม า, ามั้สาสี่สบ้ววางซะคือคืออย่าไปเอาอะไรเลยนั่งนั่งการทาเพียนนั่งเพราะการปล่อยวางไม่ใช่ว่าจะเอาจางนั่นีงิมไมได้กินอะไร<อ>ครับเพื่อเพื่อไ อ, อความเพื่อให้พักนเพื่อสงบไปหรือจิสงบไปก็สงบครับบางครั้งสงบบางครั้งก็ไมเรื่องไม่นช่แน่นะ มันก็แล้วแต่เรื่องในสังคมแตความคิดของเราจะเปลี่ยนเปลี่ยนไปเรี่อยก็ให้ปุ๋ยถูกคนให้อาหารถูกคนจุเปลี่ยนล้ำติไปดีือแต่สรุปแล้วองักัรสภาพันธุ์นะนีกับสูญพันธต้องเอากนีันียสิกมาเหนวงพ่อกำบลกอยห้อยหไม่เกี่ยวคับ้อดีเจ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 สาำคัญหรือไม่ที่เราจะใช้ทาพูดจว่างหายใจเข้าพุดหายใจออกธพุดโทตลอดเวลาหรือว่าเราจะเพ่งจิตที่สายลมหายใจที่มันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้อันนี้เราต้องทําผ่านไปด้วยมือจักที่เราบังคัพุดโธพุดโธมันทํางานยากเราฝึกมาตั้งแต่ห้ว่าพุดโทพูดโธรหน้าไปแล้วก็นั่งพุดโธพุดโธรี่เมื่อจิตเรามันละเอียดนะไอ้พูดโธมันเป็นของยากจะแล้ว ถ้ามาเมามังค์ว่าพุทธโธมันจับจะราคาญเกิดความสงสัยนี่นี่นี่เราจะไม่ว่ามันไม่ได้ไหมเนาะไอ้พุทโธนี่คือตัวผูรู้นั่นเองเนี่ยไม่ต้องว่าพุทโธก็ได้แต่มันรู้ไหมว่าเข้าออกแต่มันนั้นความรู้นั่นเรียกว่าพุทโธไอตัวพุทโธนี่คือคําพูดที่เรารู้มันลมเข้าออกอยทุกขณะนะั่นแมันเป็นตัวพุทโธอย่างแท้จริงแต่เมื่อเราในระยะมันไปเปลี่ยนกันซะสงสัยท่านอาจารย์บอกให้ว่าพุทโธพุทโธ เราก็ไม่ว่าพุทโธมันลงมันก็ออกอยู่มันจะเป็นตัวสงสัยหนอันนี้ไม่ต้องสงสัยแล้วไม่ต้องพูดว่าพุทโธมันก็รู้อยู่แล้วความรู้นั้นนเรียกว่าพุทโธความรู้สึกว่าพุทโธนั้นเรียกว่าพุทโธอยู่แล้วมันเปลี่ยนแค่นี้เข้าใจแค่นี้ก็พอเนียเอามาวางบนตัวนี้เจ๊ไ่ต้องกับรถก็ไปตรงนี้ก็ได้ใครรู้ว่ามันออกคือมันเข้าทั้งนั้นลนิ่งอยู่ตรงนี้ผลที่สุด มีเห็นจิตอยู่ที่นี่เห็นดมอยู่ที่นี่เห็นสติอยู่ที่นี่เห็นความรู้อยู่ในพร้อมกับความสงบจริงทั้งนั้นแล่านี่สงบลงไปละกิจก็เป็นอย่างนี้ไม่มีอะไรตรงนี้ทีนี้ออกจากนี่ไปเราจะก่อนนั่งสมาธินี่ควรที่พิจารณาตั้งแต่วิสระโมจิห้าปเายาส่วนนี้หมดพิจารณากายกายทั้งก้อนเป็นกาย ถ้าพิจารณาของในกายนี่มีอะไรอีกบั่งไหมถูกครั้งอันนี้จะส่งเสริมว่ามันจะเห็นกายคนคนเราแล้วก็ ม, มีอะไรมากมายนะ่นี่นเนี่ยมันจะมันจะมีปัญญาเกิดขึ้นมาไม่มีอะไรมากเท่าไรมันจะพิจารณามีปัญญาตัเองเมื่อมีปัญญาไ ป, ไ ป, ญญาปตัดทั้งหลายไอความทุกข์ความยากความทรมารย์อย่างข้าววันนี้กินกี่จานเนี่ยทำไมมันกังวลบางวันทะเลาะกัน พ่อว่าแม่ว่าไม่ได้อยู่เป็นสูงเดือดร้อนกันเพราะอะไรมันจะได้ค้นคว้ามาอ่านดูมันจะรู้จักมันจะรู้จักปล่อยจังหวนจิตใ จ, จ ม, นนมันจะสงบเห็นเนี่ยมันก็ปล่อยเห็นเนี่ยมันก็วางเป็นจิตใจชี้เยือกเย็นจิตใจที่เนียนหนาเป็นกำนังที่จะเกิดปัญญาของเราสําหรับให้เราเยือกเย็นในครอบครัวในชีวิตเป็นอยูแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งคือว่ามีท่านผู้ใหญ่คุณอายุก็ท่านราวขาวคุณ่าคุณยายนะคะ ได้เล่าให้ฟังว่าท่านได้นั่งกรรมฐานและเป็นความจริงนะคะว่าเมื่อทุกคนที่ทุกคนที่มีจิตศราทธาแน่นแล้วก็ในกรรมฐานเนี่ยเมื่อนั่งประดานเมื่อจิตสงบแล้วก็จะเห็นอะไรต่างๆเกี่ยวกับ น, กกาานรกสวรรค์เมื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะคี่ท่าฟังที่เป็นความจริงอันนี้มันเรื่องเกตเร์เรตอันนี้มันเรื่องคนกระบุดคนมันเรื่องทิ้งทั้งนั้นแหละถ้าเห็นสวรรค์จะกระโดดมันขึ้นไปไหนเลย เห็นแสงสว่างอยู่ี่เมืองเราแสงสว่างเยอะไปนะไม่ต้องไปนั่งกับตาไม่เส็นสงสว่างหรอกเดินไปตามเมืองจำนายแสงสว่างมันเยอะไปแล้วไม่ต้องอยากเห็นอันนั้นอยากจะเห็นความเสื่อมของจิตดังนี้เมื่อถูกอารมณ์เมื่อยากเหยมันไปยึดมั่นถือมันเนี่ยมันพวรจัดทุกข์กันนะอันนั้นก็เป็นไปได้เหมือนกันแต่ว่าเป็นไปกับมันเป็นมันเป็นเครื่องปรับของผู้มีปัญญาอืมมันเป็นของเบ็ดเตล็ดนะในเป็นของมัในความยึดมั่นถือมั่นอะไรถ้าไม่ต้องการอันนั้น อันนันของภายนอกมันเป็นไปได้ทุกอย่างากันนะ่คือจุดประสงค์ของ ก, ออ ก, ก็คือว่าการนั่งกรรมฐานอย่ต้องการทาปิดใ จ, จให้สงบใช่แต่ว่าการนั่งกรรมฐานของท่านผู้ใหญ่ที่เคยเล่ามาบฟังเป็นแบบนี้ั่งกรรมฐานแบบต้องการอยากจะรู้แบบนันแหละคนชอบเร<อ>ียนรุกคนชอบเร็นมัลุจะไปนั่งทัไมตำกาญทำไมยังไง น, นั่งไปดูดามีไม่อดกของเดี๋ดูะ ไม่ต้องการอย่างนั้นแล้วเนี่ยรู้ว่ามันเป็นของปลอมไม่ต้องไปด้วยคือถ้าเผื่อนั่งให้ต้องการจะเห็นเห็นจริงก็ป่ะไม่รู้บางคนมันก็เห็นบางคนก็ไม่เห็นไม่ใช่คนคนเดียวมันคนหลายคนทำอพเไอไอคนรไม่ต้องการ่จะเห็นอะอ่านาเห็นอะไรนยจะของมันสงบเทนั้นเองใช่ไอ้คนเราใช่ไหมใช่ไหไอ้นี่ใครบอกว่าเห็นน่นเห็นนี่ผมว่า ไอ้เห็ดช้ามากกว่าปล่อยในตนู้นันวางเลยแสดงว่าเขาเกินเขไม่ว่ า, างกิงนแค่ปวเข็มใช่ถูกก็ท<ช>่านถ้าเห็นก็เห็นมีเหตุผลดีกว่าเห็นเห็นเรื่องจนมันหลังับนให้มันมีเรื่องเห๋อไหมเห็นไม่เห็นเดี๋ยวเห็นมุมบ้านหรือบ้านอะไร <c oughs> <c oughs>